สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่30พระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อที่20ถึงข้อที่23ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นทางของหญิงผู้ล่วงประเวณีคือนางรับประทานและนางเช็ดปากและนางพูดว่าฉันไม่ได้ทําผิดแผ่นดินโลกสั่นสะเทือนอยู่ใต้สมสิ่งเออมันทาน อยู่ใต้สี่สิ่งไม่ได้คือท่าดเมื่อได้เป็นพระราชาคนโง่เมื่อกินอิ่มหญิงที่ไม่มีใครรักได้สามีและสาวใช้ที่ได้เป็นนายแทนนายหญิงของตนพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้อยู่ภายใต้หัวข้อที่เรียกว่าสะเทือนสถานในข้อที่20นี้ก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่ 18-19 ครับก็คือมีความปหลัดใจ เหลือหลายสาสิ่ง4 ส, สิ่งที่ประหลาดใจที่อากูเองนั้นก็ไม่เข้าใจนั่นก็คือนกอินทรีบนฟ้างูบนหินเรือในทะเลและชายหนุ่มกับหญิงสาวแต่ที่ประหลาดใจมากกว่านั้นเราพบในข้อที่20ครับก็คือหญิงที่ล่วงประเวณีเมื่อนางรับประทานนางเช็ดปากและนางพูดว่าฉันไม่ได้ทําผิดพี่น้องครับภาพของหญิงที่ล่วงประเวณีถูกเปรียบเทียบ กับการรับประทานอาหารแล้วเช็ดปากและบอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่ได้ทำผิดเลยนี่คือความคิดที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้คือประหลาดมากผู้หญิงบางคนสามารถทำการล่วงประเวณีได้อย่างง่ายดายเหมือนกับการที่พวกเขาทานอาหารและปราศจากความเสียใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิด และนางเช็ดปากคําว่าเช็ดปากก็คือการกรบเกลื่อนนะครับการกรบเกลือนที่จะบอกว่าหลังจากนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นเลยการกรบเกลื่อนนั้นมีแสดงออกมาในผู้หญิงเจ้าชู้ผู้หญิงเจ้าชู้กันคืออะไรครับคือผู้หญิงที่ล่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความผิดเรื่องของการล่วงประเวณีคือมีผู้ชายอื่นนอกเหนือจากสามีของตนผู้หญิงพวกนี้ ไม่ได้ถือเรื่องเพศสัมพันธ์หนึ่งต่อหนึ่งหรือสามีกับภรรยานั้นเป็นเรื่องจริงจังและเขาก็ไม่จริงจังเกี่ยวกับเรื่องของการทำผิดทำบาปด้วยเพราะฉะนั้นจึงถือเสมือนเป็นการรับประทานอาหารแล้วพูดว่าไม่ได้ทำผิดเช็ดปากแล้วเลิกกันพี่น้องครับผู้หญิงที่นอกใจสามีเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากและคนเหล่านี้นั้นได้ก้าวข้ามจิตสานึกที่ชอบทำ ก้าวข้ามปัญหาเรื่องของการติดตามมาที่เกิดกับลูกหลานและนี่คือสิ่งที่เธอกำลังทำความทรยศและชั่วร้ายที่สุดที่ภรรยาคนหนึ่งพึงจะทำได้เธอสามารถพูดคุยและใช้ชีวิตราวกับว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเลยและนิสัยนี้จะเป็นนิสัยของหญิงแพทย์ชาครับพี่น้องครับสุภาษิตเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร แต่ว่าคำว่ากินของสุภาษิตในตอนนี้ก็คือนางรับประทานนางเช็ดปากนั้นมีความหมายถึงการที่ผู้หญิงคนนั้นได้มีความสัมพันธ์ทางเพศเป็นผู้หญิงที่นอกใจสามีเธอได้เปิดตัวเองกับคนแปลกหน้าและมีความสุขทางกายนอกใจสามีการรับประทานอาหารที่นี่เป็นถ้อยคำสาหรับการมีเพศสัมพันธ์ครับขณะที่พระกัมพีนั้น ใช้คำพูดชัดในสถานที่อื่นๆก็เลือกที่จะใช้ถ้อยคํานี้เป็นการแทนภาพของการมีความสัมพันธ์ในด้านนี้ในขณะเดียวกันครับคาว่าเช็ดปากการเช็ดปากของเธอนั้นไม่เกี่ยวข้องกับผ้าเช็ดปากครับแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกถึงการที่ว่าเธอหลีกเลี่ยงการตรวจสอบกลบเกลื่อนและทำทุกอย่างที่จาเป็นเพื่อที่จะซ่อนความสัมพันธ์ที่ผิดๆของเธอ กับคนอื่นๆที่เป็นชู้รักของเธอเธอรอให้อาจจะต้องรอให้สามีของเธอออกไปข้างนอกก่อนนะครับและเธอก็ปฏิบัติหน้าที่ในครัวเรือนอย่างเรียบร้อยไม่บกพร่องเธอทำให้เวลาที่หายไปนั้นไม่หายไปเธอซ่อนอาการความบาปของเธออย่างลับๆเธอล้างร่างกายของเธอและเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองสามีเหมือนกับว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยดี พี่นะครับนี่คือภาพของคําว่าเช็ดปากพระเจ้านั้นได้ทรงออกแบบร่างกายของผู้ชายผู้หญิงเพื่อที่จะมีความบริสุทธิ์เมื่อเข้าสู่การแต่งงานนี่คือแผนการของพระเจ้าผู้หญิงคนไหนที่นอกใจสามีการตัดสินและการประนามจากสังคมในพระกัมภีร์เดิมนั้นเป็นเรื่องราวใหญ่โตและร้ายแรงมากแต่ในขณะเดียวกันครับพระเยซูเอง ก็ได้รับผู้หญิงแพศยาที่กลับใจและยินดีพาผู้หญิงเหล่านี้เข้าสู่งานจากของพระองค์นั่นคือการกลับใจใหม่ครับการกลับใจใหม่นั้นทําให้พระพรมาถึงชีวิตของผู้หญิงพวกนี้เช่นบัตเชบาหรือนางทามานางราหบซึ่งอยู่ในเพิ่มผีเดิมเราเห็นว่าชีวิตของคนเหล่านี้ซึ่งเป็น สุภาพัศรีที่เคยทำความผิดบาปมาก่อนแม้กระทั่งความผิดบาปของมารีชาวมักดาลาเช่นเดียวกันครับพระเยซูก็ยกโทษให้กับเธอพี่น้องครับบาปของเจ้าได้รับการอภัยจงไปเป็นสุขเถิดนี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดกับมารีมักดาลาฉะนั้นจึงอยากจะขอสรุปว่าพฤติกรรมของผู้หญิงพวกนี้เป็นพฤติกรรมที่ประหลาดมาก ไม่สามารถเข้าใจได้ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรหรือเธอคิดอะไรดังนั้นเองคำแนะนำก็คือให้เราออกห่างจากผู้หญิงเหล่านี้เพื่อที่ชีวิตของลูกหลานของเรานั้นและของตัวเองจะบริสุทธิ์ต่อไปครับในข้อที่21และ22ก็พูดถึง4สิ่งที่สะเทือนสะทานคำว่าแผ่นดินโลกนั้นหมายถึงประชากรครับประชาชน ในโลกชันสะเทือนภายใต้4ี่สิ่งนี้ครับประการแรกคือธาตุเมื่อได้เป็นพระราชาคนโง่เมื่อกินอิ่มหญิงที่ไม่มีใครรักได้สามีและสาวใช้ที่ได้เป็นนายแทนนายหญิงของตนพี่น้องครับตรงนี้เราก็จะเห็นถึงสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญครับมันเป็นสถานการณ์ทางสังคมที่กลับหัวเป็นหางกลับหางเป็นหัวมันไม่เป็นปรากฏการณ์ที่พบบ่อยครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พบปรากฏการณ์แบบนี้นะครับทุกคนจะสั่นสะเทือนและหวั่นไหวเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรับไม่ได้ท่าดได้กลายเป็นพระราชาหมายความว่าแท้จริงแล้วท่าเนี่ยจุดหมายปลายทางของเขาชีวิตของเขานั้นไม่ได้ถูกเตรียมมาเพื่อที่จะเป็นประราชาแต่ด้วยสิ่งอะไรเกิดขึ้นมีอาจทราบได้เมื่อเขามาเป็นพระราชาความพร้อมของเขา ไม่ถึงขนาดไม่ถึงมาตรฐานฉะนั้นจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งประการที่สองก็คือคนโง่คือคนที่ขาดการรับรู้และไวต่อความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆฝ่ายจิตวิญญาณคนโง่เหล่านี้เมื่อเขาได้กินอิ่มมันเป็นเรื่องที่น่าสั่นสะท้านน่าสะพึงกลัวน่าสะเทือนเพราะว่าเขาจะกลายเป็นคนหัวดือ้อที่ไม่ยอมมอง และรับรู้ความต้องการของคนอื่นได้นั่นคือคนโง่ได้กินอิ่มเขาจะไม่รู้จักความพอเพียงในขันเดิดกันเขาก็ไม่รู้ว่าความต้องการของคนอื่นเขาจะรู้สึกอย่างเดียวกันหรือไม่คือไม่มีความรู้สึกสงสารคนอื่นครับประการที่3ครับหญิงที่ไม่มีใครรักแปลกตรงตัวก็คือว่าหญิงที่คนเกลียดแต่กลับได้แต่งงาน การได้แต่งงานของผู้หญิงที่ไม่มีใครรักหมายความว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะมีอุปนิสัยบางสิ่งบางอย่างที่ขาดตกบกพร่องไม่สมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้แต่งงานนางก็มีโอกาสที่จะนำความโศกเศร้ามาสู่การแต่งงานมาสู่ครอบครัวของตัวเองได้เพราะฉะนั้นนี่คืออีกเรื่องหนึ่งของการสั่นสะเทือนประการสุดท้ายครับก็คือสาวใช้ที่ได้เป็นนายหญิง เช่นเดียวกันครับก็คือนางไม่รู้ไม่มีวิธีการไม่มีเทคนิคในการที่จะปกครองคนไม่มีบารมีพอแต่ดันขึ้นไปเป็นผู้หญิงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับและสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในโลกของเราเสมอๆเพราะฉะนั้นนี่คือความสั่นสะเทือนคําสอนที่นี่ก็คือว่าความเหมาะสมไม่เหมาะสมครับคําว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมนั้นก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นการตะเตรียมชีวิตของคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นการทรงนำของพระเจ้าที่จะให้คนคนนั้นขึ้นมาเป็นผู้นำไม่ว่าตัวเองนั้นจะมีการเตรียมความพร้อมและหรือผู้อื่นเตรียมความพร้อมให้นั่นคือสภาวะผู้นำที่พร้อมในขณะเดียวกันครับความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำถ้าหากว่าคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นาแล้วยังไม่สามารถมีได้ แสดงว่าเขาไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำแต่นั้นเองพัมภีข้อนี้เป็นเหมือนกับกฎเกณฑ์การที่เราจะคัดสรรหรือสรรหาผู้นำต้องระวังอย่าให้าธาตุขึ้นมาเป็นผู้นำอย่าให้คนโง่ขึ้นมาเป็นผู้นำอย่าให้หญิงที่ไม่มีใครรักเป็นผู้นาและอย่าให้สาวใช้เป็นผู้นำแทนนายหญิงของตนเองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะมีสติปัญญา ในการบริหารจัดการบ้านเรือนของเราในการบริหารจัดการบ้านเมืองของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับอาเมน